จะถามปัญหาอะไรหรือเปล่ามีไม่มีเอาเลยถามเลยอยากถามไหมสงสัยฮะไม่มีเลยเลยเอเอนึกว่าอ้าวเชิญใช้ไมมไหมมีไม้ตัวนึงอา้อาวอ้าวอ้าวว่ามา ที่การปล่อยดีที่สุดจับปล่อย คืออย่างนี้วิธีการในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีปัญญามากกว่าอบรรยัยวสัตว์แค่นั้นเวลามาอยู่หรือปลูกบ้านก็ดีทําที่อยู่อาศัยอะไรทั้งหลายเลยเนี้ยมนุษย์ก็ต้องมีรู้วิธีการป้องกันนะการป้องกันว่าจะป้องกันอย่างไรที่ไม่ให้เขาไม่ให้เขามารบกวนโดยการที่ไม่ไปฆ่าเขา มันมีวิธีการค่อนข้างเยอะที่เราจะสามารถดูแลนะด้วยทนเวลาดำเนินชีวิตเนี่ยมนุษย์ต้องฉลาดในการใช้ชีวิตซึ่งเรามีวิธีการป้องกันได้ค่อนข้างเยอะมาก อย่างนี้ไหมเราป้องกันทั้งความร้อนก็ได้ไม่ให้เข้ามาอยู่ในในบริเวณนี้ก็ได้ป้องกันนกป้องกันหนูป้องกันปลวกป้องกันอะไรเขาใช้วิธีการป้องกันแต่โดยส่วนใหญ่คนที่ประมาทเนี่ยจะใช้วิธีไปกําจัดการไปกําจัดเนี่ยวิธีการกําจัดมันเสียระบบนิเวศวิทยาด้วยซ้ไปทุกวันนี้เราใช้ระบบการกาจัดใช่ไ หลักการเนี่ยมันจะมีหนึ่งทุกของชีวิตสองทุกของสังคมสามทุกของสภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อมใช่ไหมล่ะทีนี้ไอการแก้ปัญหาแบบไม่ยั่งยืนเนี่ยเรามองแบบมหาภาคเลยนะการแก้ปัญหาแบบไม่ยั่งยืนมันก็แก้ปัญหาด้วยการที่เบียดเบียนอย่างยกตัวยอย่างเช่นปัญหามนราภาวะเนี่ยมันแก้กันยังไง อย่างการประชุม G เจประชุมระดับผู้นําโลกทั้งหลายที่ประชุมแล้วไม่ยอมเซ็นสัญญากันบางคนก็บิดแอกกันเงี้ยเพราะอะไรเช่นโลกร้อนก็ดีปัญหาหมลภาวะก็ดีที่มันเกิดขึ้นในโลกใบเนี้ยมันเกิดจากความต้องการของมนุษย์ต้องการอยากจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติใครสามารถเป็นเจ้าของยึดครองหรือเอาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเอามาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ก็ถือว่าจะทําให้ประเทศนั้นสังคมนั้นภาวะเศรษฐกิจเ่าดีแต่ในขณะที่เราไปทําลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่มันก็เป็นปัญหาหมนละพาเวกวะมวนละพิษหรือปัญหาขยะมันก็ล้นโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยปัญหาที่เขาแก้กันตอนนี้เขาแก้อย่างไงเขาก็ไปแก้ไปตกลงกันว่าเออเราจะทํำยังไงที่เราหนึ่งเราไม่สามารถลดความอยากได้แต่ก็เลยไปจํากัดว่าเอาลนะ เราอยากให้มันไม่มากเกินไปก็ไปบังคับให้ประเทศอื่นประเทศอื่นที่เขามีอํานาจน้อยกว่าอะไรกว่าเนี่ยไม่ให้ทําลายมลภาวะไม่ทําลายสภาพสิ่งแวดลอ้อมแต่ตนเองก็ทําลายใช่ไหมประเทศมาหาอํานาจทั้งหลายเหล่านี้และที่สุดจริงๆสภาพสังคมเป็นยังไงก็ปิดเกิดภาวะเลือนกระจกอะไรเยอะแยะไปหมดเต็มไปใหญ่ๆเลยลักษณะอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเกิดจากแนวความคิดพิชิตธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์นี่แหละ เขาถือว่าเออเขาจะทําโลกใบนี้ให้เป็นอย่างไรก็ได้เป็นต้นมันก็ทําลายกันทีนี้ประเด็นมันคือว่าถ้าในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามองบอกว่าหนึ่งก็คือว่าชีวิตแต่ละชีวิตก็เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติทีนี้ธรรมชาติต่อธรรมชาติจะอยู่ด้วยกันอย่างไรแบบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันใช่ไหม พุทศาสนาก็สอนหลักในการอยู่กับธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนอกจากไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็คือว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกันและกันไปเลยเนี่ยนะแต่ว่าในทางปัจจุบันนี้มันไม่อย่างนั้นแล้วอยู่กันแบบเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นปัญหายังเล่นยาฆ่าแมลงก็ดีสิ่งต่างๆหนุนนี้ถามว่ามันเคยทําให้ภาวะโลกนี้มันดีขึ้นไหมมันไม่ได้มันมันเป็นการ มันเป็นการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นการเดินทางที่หลงทางและผิดทางด้วยนะปัญหาสารพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยสังคมไทยเราเจอกันอย่างหนักซึ่งเราก็เห็นว่าปัญหาสุขภาพพวกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็เห็นคนป่วยมาจากอะไรก็มาจากมลภาวะมลจากสารพิษใช่ไหมไอสารพิษทั้งนั้นอะที่เบค่ามแมลงข่าสต า, า์ข่าอะไรทั้งหลายเหล่านี้ไปเสร็จแล้วมันตกค้างในพืชผักอาหาร เมื่อเราจะเอาสารพิษไปให้หนูให้อะไรก็แล้วแต่มันก็เต็มไปหมดนะในรังคาอะไรต่างๆถ้ามันปลิวมาใส่คนหรือถูกมนุษย์ถูกสิ่งที่มีชีวิตมันก็เป็นอันตรายอีกเห็นไหมการแก้ปัญหาแบบเบียดเบียนกันมันเป็นแบบนี้มันไม่ยั่งยืนหรอกที่สุดจริงๆมันก็มันก็หนักเข้าหนักเข้าก็ไอเจตนาชั่วร้ายเจตนาคิดจะเบียดเบียนเขาเจตนาคิดจะรังแกเขาเจตนาคิดจะบัทุศร้ายเขาเขาเรียกว่าหนึ่ง จิตคิดจะฆ่านะหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรั่วสัตว์มีชีวิตสามมีจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียนเพื่อฆ่าห้าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียนมันก็เรื่องเบียดเบียนกันดีๆนี่านี้แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะจากมนุษย์ต่อมนุษย์จากมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉา น, านมนุษย์ก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ปัญหาบนรพาวะมันก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพปัญหาเกี่ยวกันในเรื่องของความไม่ดุน อย่าลืมนะว่าจริงๆสัตว์ต่างๆที่เกิดมาเหล่านี้ก็ล้วนแต่รักสุขเกียรติทุกใช่ไหมถ้าเราไปมัวคิดลักษณะแบบเนี้ยมันก็มันก็เป็นไปลักษณะอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วสภาพมนุษย์ที่เราเจออะไรกันอยู่เราก็รู้อยู่ทั้งๆที่มันผิดทางนี่แหละแต่มนุษย์ก็ยังมีปัญญาไม่พอในการที่จะออกจากปัญหาไม่เห็นทางปัญหาใช่ไหมยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราปัญหาเรื่องการว่าเอออย่างยกตัวอย่างเช่นเราก้าทนเศรษฐกิจ กระตุ้นอะไรก็กระตุ้นความต้องการพอไปกระตุ้นความต้องการของมนุษย์ก็ให้มนุษย์มีความอยากให้มากพอมนุษย์อยากมากขึ้นก็ต้องทำมากขึ้นต้องค้นควายมากขึ้นต้องดิ้นรนมากขึ้นแล้วก็ทำลายทรัพยากรมากขึ้นเมื่อมีเงินมาหมุนสพัดหรือมีคนจับจ่ายใช้สอยนั่นก็เรียกเศรษฐกิจดีแต่คนเป็นทุกข์นี่ปัญหาตามมายเยอะเลยปัญหาโลกจิตโลกศาสตร์ ปัญหาของสังคมปัญหาการเบียดเบียนกันปัญหาแก่งแย่งชิงดีกันโอ้ยตามมายเยอะเลยเห็นไหมมันจบไหมนะจ้ากรต้นเศรษฐกิจตัวตัวเดียวแค่เนี้โอ้โหมันลามไปหมดเลยเพราะเราไปวัดกันที่ GDP วัดกันที่ผลรายได้วัดกันที่ว่าใครได้วัตถุสิ่งเสพมากว่าคนคนนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จคนคนหนึ่งแทนที่จะมีที่อยู่เพียงแค่เนี้ใช่ไหมมีลูกแค่คนสองคนสามคนโอ้โหไปสร้างบ้านทุกจังหวัดเลย ไอ้คนที่ไม่มีบ้านก็แทบแย่นี้เราลองดูที่ว่าตอนเนี้ยถ้าเราวางว่าหนึ่งห้าปอร์ซนห้าปอร์ซ็ของประเทศเนี้ยเป็นคนที่มีรายได้มากกว่าคนทั้งหมดเก้าสิ้าปอร์ซนตใช่ไหมมันจะมีคนสามกลุ่มเนี่ยเนหนึ่งกลุ่มห้าปอร์ซกลุ่มสิ3ห้าเปอร์เซ็สากลุ่มแปดสิบเอซในบรรดากลุ่ม กลุ่มที่มีรายได้สูงสุดเนี่ยอย่างมากเลยนะแม้คนเดียวก็มีคนมีรายได้มากกว่านักประเทศเนี่ยมีอยู่ห้าปอร์เซ็นตของประเทศไทยนี้และอีกกลุ่มที่จนที่สุดประเภทที่แม่แทบพึ่งตัวเองไม่ได้เลยเนะี่ยมียีสิบห้าเปอร์เซ็นมันก็เลยมีคนว่ายี่สิบเอร์ซ็นเี่ยไอ้ตรงกลางแปดสิบเปอร์เ็นนี่ยคือกลุ่มที่เป็นเป็นเหมือนตัวมดงานที่จะต้องทํางานมาเลี้ยงหล่อเลี้ยงประเทศ แปดสิบอร์เนี่ยไอ้กลุ่มห้าเปอร์ซ็นเนี่ยกลุ่มที่ได้สิทธิพิเศษสิทธิเยอะแยะหมดเสร็ิที่การลงทุนเสร็จที่เรื่องภาษีอุกรทั้งหลายอะไรเนี่ยเพราะเขเป็นนักลงทุนระดับใหญ่ใครก็ต้องง้อรัฐบาลก็ต้องงอใช่ไหต้องงอกลุ่มเนี่ยเพราะว่าเมื่อลงทุนขนาดใหญ่เนียมาอย่าพูดเรื่องนี้มากไปอันนี้ที่พูดให้ฟังเป็นความรู้นะเป็นความรู้เนะี่ยไม่ได้พูดโจมตีพูดเรงความรู้เนี่ย ระดับพวกนี้ได้สิทธิพิเศษเต็มไปหมดไม่ว่าสิทธิภาษีอุกรสิทธิเรื่องการลงทุนทั้งหลายเหล่านี้สิทธิประโยชน์เยอะนี่นะนี่กลุ่มสิทธิ์แล้วอีกกลุ่มหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าหกพันบาทต่อปีต่อเดือนต่ออะไรก็แล้วแต่ต่ำกว่านี่กลุ่มนี้ยกลุ่มนี้ก็รัดก็ให้สิทธิพิเศษอาจจะเป็นสิทธิพิเศษค่านา้ําค่าไฟค่าเดินทางอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้นะมีการเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยร้ยสิบห้าเอร์เซ็ต นี่กลุ่มนี้ช่วยเหลือมันก็มีคนสองกลุ่มนี่แหละที่ภาครัฐเอื้อประโยชน์ให้ส่วนกลุ่มที่จะต้องถู ด, ดถูกดูกดดภาษีอย่างหนักเลยก็กลุ่มแปดสิเปอร์ซ็นตที่จะเอาเอาเงินส่วนนี้ไปหล่อเลี้ยงประเทศแล้วดูแล ย, ยอมอยากเป็นคนกลุ่มไหนถ้าอยากเป็นคนกลุ่มที่ได้รับสิบทธิพิเศษก็ต้องขันตัวเองเต็มที่ขึ้นไปอยู่ระดับบนให้ได้ก็ห้าเปอร์เซ็นหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไปอยู่ระดับต่ำก็สิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าอยากจะเป็นคนที่เอาแล้ะ เป็นคนที่ถูกต้องหลอเลี้ยงประเทศก็เนี่ยต้องทํางานมีเงินเดือนเจือภาษีรถภาษีโรงเรียนภาษีที่ดินค่าแวกค่าอะไรต่างเนี่ยก็นี่กลุ่มแปดสิบปอร์ซ็นตอนนี้ยอมอยู่กลุ่มไหนเออก็แปดสิบเปอร์เซ็นนี่ถ้าเรามองอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันในเข้าในเข้าการห่างระหว่างห้ากับแปดสิบมันก็จะห่างเรื่อยๆนับวันจะห่าง ตอนนี้มันก็มันก็เป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าระบบที่เราใช้ฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมทำยังไงให้เกิดความอยากถ้าไม่อยากแล้วมนุษย์ก็ไม่ดิ้นหล่นทีนี้มันมีความอยากสองอยากใช่ไหมอยากได้ตัณหาก็อยากได้ฉันทะ ถ้าอยากได้ตัณหาก็คืออยากได้สิ่งเสพมาบุม บ, ม, บมเบล์สนองอัตตาตัว ต, วตนโห้ดิ้นรลนใหญ่เลยแล้วรัฐเขาจะไปรู้ไหมว่าอะไรเป็นความอยากที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นอยากอากุศลมันก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็กระตุ้นความอยากเนีย่ยก็เป็นไปอย่างนี้อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละเราลองคิดดูที่ว่าเราทํางานกันทั้งชีวิตถูกกระตุ้นกันมไหมทั้งชีวิตแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ตอนนี้เป็นสภาพเนี่ยถามคงเกษียณอายุก็นไม่สนใจ ใช่ไหมตอนนี้ก็หมดแรงกันแล้วเป็นสังคมผู้สูงวัยยอมยอมเสียสุขภาพเพื่อให้ได้เงินทุ่มเททั้งชีวิตแต่พอมาถึงตอนนี้ก็ยอมเสียเงินเพื่อซื้อสุขภาพทันไหมเนี่ยทันไมทันตอนนี้ยอมยอมยอมเสียเงินแล้วสรุปตรงนี้ก็คือตอบปัญหาของยอมอาจจะกว้างไปนิดนึงนะว่า ถามว่าเราจะทํำยังไงเราจะอยู่อย่างการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ไหมก็ได้ในขณะที่เรามาเข้าใจเรื่องพระรัตนตรัยแล้วเข้าใจใช่ไหมก็ต้องให้มั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่เบียดเบียนโดยชนิดที่เราก็อยู่โดยไม่เดือดร้อนด้วยแต่ต้องไม่ฆ่าเขาออมมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกที่กุฏิอามาเนี่ยมดเต็มไหมเต็มเวลาเกิดเอาอาหารหยดลงไปนิดหน่อยแค่นั้นโอ้โหเข้ามากันเป็นแถว ใช่ไหมเพราะอาอาหารออกเขากลับถ้ามันไม่มีอาหารไม่มีที่ให้เขาทีนี้มนุษย์ก็ต้องฉลาดว่าทําอย่างไรที่จะไม่ให้เขาเข้ามากินในอาหารนั้นแล้วก็สามารถป้องกันอะไรต่างๆเยอะๆมีวิธีเยอะหมดโดยชนิดที่ไม่ต้องเอายาฉีดยาฆ่ า, มาแมลงไปฆ่าเขาหรอกเพราะในขณะที่เราฉีดยาฆ่ า, มาแมลงไปเนี่ยก็เกิดมลภาวะที่เป็นพิษอย่าว่าจะมดเลยเราก็เจอด้วยก็เบียดเบียนอีกเยอะมากใช่ไหมไม่ใช่แค่มดอย่างเดียว สัตว์อื่นๆที่มีชีวิตก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยอีกเยอะมากนั้นก็เป็นอยู่โดย ไ, ไม่ต้องไปเหยียดดิเพราะจะทําไหวไหมพรก็พระก็ <c oughs> <c oughs> อ๋อเขาคุยเขาคุยรเรื่อง อ, <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> เขาไม่ได้กลัวที่ค เ, เขากลัวแมวมั <c> ้ง <oughs> ตรงนี้จริงๆนอนสามมันก็เออไปฉันเคยไปบรรยายแต่ละที่จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเลยนะเนี่ยเขาจะมองประเด็นเป็นปัญหาแท้ที่จริงเนี่ยฉันก็บอกว่าที่ที่วัดก็เป็นแต่ว่าเราไม่ได้คิดเบียดเบียนเลยซึ่งก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรมีมีอยู่คราวหนึ่งฮะฉันในห้องน้ำใช่ไหมในห้องน้ําเนี่ยมันก็มีนกามาทำหลัง ฉันก็ที่แรกเขียนเขาคาบมาแค่เส้นสองเส้นฉันก็เส้ก็เลยเขี่ยออกทีนี้ฉันไม่อยู่ฉันไปอยู่ไปทุร้ที่กรุงเทพหลายวันพอกลับมาก็ทําเป็นหลังไว้เลยฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วทีนี้เน่าข้านะครับวฉันก็ไม่ทำเลยเพราะเราเปิดไปเนี่ยไฟก็ส่องตาเขาทีนี้เขาก็ฉลาดนช่ไหมไม่ใช่ฉลาดเขาก็มีวิธีการเขาก็มาทําลังทสมึดแต่ตอนนี้ก็อยู่สบายก็แล้ว ใหม่ๆเขาก็กลัวเรานะเวลาเห็นเราเข้าห้องน้ําบ้างอะไรบ้างแต่๋ยวพอมารยาทหลังเขาเริ่มมองแล้วเขารู้เลยคนนี้ใจดีไม่ตาไปเลยแค่เอาตาไปถลึงเขา <S <S เขายังมองเฉยเลยตอนนี้อันนี้แปลว่าเขาบอกเขามองว่านี่ไม่ใจ่พิษภัยกับเขาแล้วดัง้นเวลาสิ่งต่างๆตอนเนี้พระก็จะอยู่กับสิ่งเหล่า น, นี้ตลอดก็ก็สวดมันมีบทบบททนึงสวดมนต์ใช่ไหม เขาเรียกว่าขันทปริษจำไหมว่าสัตว์ที่มีสองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์ที่มีสี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสิทธิ์ที่มีสัตว์ที่ไม่มีเท้าก็อย่าได้เบียดเบียนเราอย่างนี้ตนน้นเะนียนะคือในคําสวดคําสาทยายบทเนี้ยเป็นบทในการเจริญเมตตาให้กษัตริย์มีเท้ามากเท้าน้อยหรือไม่มีเท้าทั้งหลายเหล่าเนี้ย แล้วก็ตระ ก, กูลงูทั้งหลายตระ ก, กูลสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็แผ่เมตตาให้กับบรรดาสัตว์เหล่านี้พอพระเจริญเมตตาในขันธปริศเหล่าเนี้ยบรรดาสัตว์ที่มีเท้ามากเท้าน้อยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็จะไม่มาเบียดเบียนพอพระนี่ต้องอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในตามที่ต่างๆด้วยนี่ชาวพุทธเราก็ต้องเจริญเมตตาไม่ใช่แค่สวดนะ ใจต้องรู้ความหมายในบทสวดแล้วก็เจริญเมตตาและในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันเจริญเมตตาแล้วเราจะทํายังไงก็ได้ไม่ใช่เลยนะเราก็ต้องมีวิธีการหนึ่งด้วยความฉลาดของมนุษย์ก็ป้องกันให้เต็มที่ก่อนจะปลูกบ้านสร้างบ้านวิธีการจะป้องกันปลวกยังไงป้องกันมดยังไงป้องกันเลยเมื่อป้องกันเต็มที่แล้วเขายังขึ้นอยู่อีกก็ใช้พระปริตช่วยดีไหม เออก็กรณีอย่างนี้ก็ให้สาธยายพระปริจเจริญเมตตาพอพอชัดเจนไหมแต่มันไม่ค่อยทันใจเหมือนกับเอายาไปฉีดแล้วนี่อมีอะไรอีกไหมมีใครจะถามประเด็นไหนอีกไหมว่าไง ให้เราต้องสวดเองห้ามขี <K in> <K in> anyway. ้เกียจสวดเขาให้สวดทุกวันเขาให้สวดทุกวันเขาให้สวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นสวดพระปริท้องกัน อ๋อมีบทคันธ่ปริคันทปริคันมีบทที่สวดแต่เราต้องรู้ความหมายแล้วใจเราต้องเป็นเมตตาจริงๆนะต้องเจริญเมตตาอยู่แถวตอนเนี้เมื่อตอนช่วงบ่ายเราพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของการเจริญพรหมวิหารใช่ไหมทีนี้ในภาคปฏิบัติการจริงๆเนี่ยที่เราจะไปใช้ให้ได้จริงๆเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของสังขาวัตถุ สังขาวัตถุเ네นี่ยหลักการสงเคราะห์สังขารเนี่ยแปลว่าสงเคราะห์หลักการที่เชื่อมโย ง, งหรือเชื่อมประสานสภาพสังคมเนี่ยที่มันไปกันไม่ได้มันไปแล้วพังไปแล้วแตกไปรแล้วทั้งหลายมันไม่มีธรรมะ ท, ที่เป็นหลักเชื่อมประสานกันสังขารขหาแปลว่าเชื่อมแปลว่าประสานกันนั้นหลักสังหลักสังขารเนี่ยสังขารสี่อย่างเนี่ย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยหลักการสงเคราะห์เชื่อมโยงหรือเชื่อมประสานซึ่งกันและกันในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จดําเนินไปในป่าเขาไปเจอพระท่านอยู่กันสามรูปพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธออยู่กันอย่างไรอยู่ด้วยความรากักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนต่อกันไหมพระก็รายงานว่าข้าพระองค์อยู่ด้วยกันเนี่ย ด้วยใจรักปรารถนาดีเอื้อทอนต่อกันเหมือนน้ํากับน้ํำนมไม่เหมือนน้ากับน้ํามันอยู่คนบางคนเนี่ยเวลายอยู่ด้วยกันเนี่ยใกล้ชิดกันจริงแต่เหมือนน้ํากับน้ํามันสามีภรรยาลูกพ่อแม่ปู่ตายายายอยู่ด้วยกันก็ <c oughs> เหมือนน้ํากับน้ํามันอยู่ด้วยกันจริงแตไ่ไม่เชื่อมประสานไม่เชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันยอมเคยสังเกตไหมยอมเป็นแบบนั้นไหม ถ้าน้ำกับน้ำนมเนี่ยเวลาเข้าไปผสมกันปุ๊บมันเป็นเนื้อเดียวกันไหมเป็นเนื้อเดียวกันนี่ก็เป็นการหลักการส่งเคราะห์เนี่ยนอกจากมีพรหมวิหารเป็นธรรมะประจําใจอันประเสริฐแล้วเนี่ยไม่พออันนั้นเป็นธรรมะประจําใจอันประเสริฐเป็นหลักความประพฤติดีงามประเสริฐที่อยู่ในใจแต่เวลาเราจะประพฤติออกมาขับเคลื่อนออกมามาเป็นรูปธรรมมาเป็นหลักการปฏิบัติการภาคปฏิบัติการจริงๆพระองค์ก็พูดถึงในเรื่องของสังขาวัตถุ สี่อย่างในสังขาวัตถุทั้งสี่อย่างนั้นก็มีเกี่ยวในเรื่องของทานคือการให้ปิยาวาจาคือการกราวาจา์เป็นที่รักสามก็คืออัฏฐจริยาคือการประพูดประโยชน์ต่อกันสี่สมานาตตาคือการวางตนให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายเป็นต้นในกลุ่มของทานคือการให้การสละการแบ่งปันก็เลยมาแยกมาแยกยังไง แยกกันว่าทานก็คือการให้ให้แบบไหนการให้ด้วยเมตตาใช่ เ, เวลาเรามีเมตตาในใจแล้วเนี่ยแต่เวลาเราจะมาให้มาสลามาแบ่งปันเนี่ยบางทีตัวเมตตาทั้งหลายเราเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นเคยสังเกตไหมว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเวลาเราให้สิ่งของซึ่งกันและกันเนี่ยบางทีก็ให้ตามสัญชาตญาณแต่มันไม่มีตัวคุณธรรมทั้งหลาย มีเมตตากรุณาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นตัวหลักในการผักดันในการให้ฉะนั้นเวลาเราจะให้สิ่งของยกตัวอย่างเรามีวัตถุสิ่งของชิ้นเนี่ยเวลาจะให้เนี่ยมันจะมีให้ได้เมตตาให้ด้วยกรุณากัรให้ด้วยมุทิตาไม่เหมือนกันนะในสามอย่างเนี่ยต่างกันในยามปกติเรามีใจรกักใจปรารถนาดีเมื่อยามที่คนที่เราอยู่ด้วยเขาปกติเราก็ให้ด้วยเมตตา การให้ได้เมตตาก็คือมีใจรักปรารถนาดีเอื้อทอนก็ต้องการที่จะหยิบยื่นประโยชน์ไปให้เขาเอายาให้เขาเอาน้าให้เขาเอาข้วให้เขาเอาอาหารเอาใ้เขาเอา้ใ้เาเอา้ำใ้าเอาน้ำให้เาเ้ให้เาเนให้เน้าเน้้าเอานกาเนให้า้ให้เขาเอาน้เามอ้หเคยเาเขาเาให้เขาเา้ำให้เอน้ำใหอน้ำาน้ให้าอให้เขอาน้ให้เอา้ำใอน้ำอนจัดย้ายพ่อแม่ ทำความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นกระจายก่อนให้จิตเป็นไปกับเมตาก่อนจึงเอาเสื้อผ้าให้แม่จัดที่นอนให้แม่เป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือคดข้าวตักข้าวให้แม่เคยไหมเคยทําให้ใจเมตตาเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ผลักดันออกมาเป็นการกระทําจริงๆถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียวกว่าให้ด้วยเมตตาเมื่อเราให้ด้วยเมตตาแบบเนี้ยในขณะที่เราประพ ฤ, ฤะติปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ตายาญาติมิตรสามีหรือภรรยาเนี่ย ในขณะที่เมตตาจิตเกิดขึ้นแล้วก็กระทําไปอย่างเนี้ยตอนนั้นน่ะเมตตาอยู่ในใจเราไหมเมื่อเมตตาอยู่ในใจนะ่ะใจนั้นก็เป็นตัวผลักดันให้การกระทําทางกายออกมากายกรรมที่กระทําออกมาก็เรียกเมตตากายกรรมการให้ด้วยเมตตาการให้ด้วยเมตตาอย่างนั้นทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายอย่างนี้เป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับความรักความปรารถนาดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมมองเห็นอย่าง เนี่ยการปฏิบัติธรรมมันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นใจเป็นไปกับเมตตาพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายในการหยิบยื่นเสื้อผ้าของหอมก็ดีดอกไม้ก็ดีตลอดถึงยาก็ดีที่อยู่อาศัยอาหารเป็นต้นเนี่ยให้กับพ่อแม่เป็นต้นอย่างนี้เกาเรียกการรังปฏิบัติ ด, ดีต่อพ่อและแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทําโดยไม่มีทิศ ท, ทางไม่เห็นไหมเจตนาดีไหมเจตนาดีเป็นไปกับเมตตาสองมีปัญญารู้เข้าใจในการที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ถูกต้อง นี่ได้แล้วนะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่พฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่แค่แค่เราทางทางกายกรรมเท่านั้นแม้ทั้งวจีกรรมอะ่ะพูดแม่กินข้าวนะแม่กินยานะแม่ใส่เสื้อผ้านะแม่อาบน้ำนะแม่นี่น้ำแม่นี่อาหารแต่เวลาพูดก็พูดได้ใจรักพูดด้เมตตามีเมตตาเป็นตัวผลักดันให้วจีกรรมคือคาพูดนะัเปล่งออกมา ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอืออ้อทอดก็เลยได้เมตตาครบเลยหนึ่งใจเป็นเมตตามนโนกรรม 2. กระทําออกมาทางกายเป็นเมตตากายกรรม 3. พูดออกมาทางวัฒน์ทาพูดก็เป็นเมตตาวจีกรรมทั้งมนโนกรรมกายกรรมวจีกรรมครบแล้วก็หมุนอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยกระแสชีวิตเราก็หมุนตอนนี้กําลังประพฤติปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อคนที่เกี่ยวข้องด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมองเห็นยัง เราเคยไปฝึกมีเจตจำนงมีความจงใจตั้งใจที่จะทําแบบนี้จริงไหมเคยไม่เคยบอกว่าเราจะประพฤติธทำในบ้านเราจะปฏิบัติทำในบ้านกับคุณพ่อคุณแม่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยการเดินพรหมวิหารที่เป็นตัวผักดันออกมาเป็นสังขาวัตถุเป็นหลักเชื่อมประสานหลักยึดโยงจิตใจซึ่งกันและกันหลักการปฏิบัติดีต่อการละกันตอนนี้เรากําลังปฏิบัติธรรมต่อพ่ อ, พอแม่ปู่ตายายายถึงต้นแล้วก็ผักดันออกมาทั้ง ทางมโนกรรมมองแม่แล้วให้ใจเมตตาเกิดเคยไหมมองด้วยปีญญาจากสุเคยไหมมองด้วยความหงุดหงิดไม่ใช่ปีญญาจากสุเห็นมองด้วยโทสะใช่ไหมมองแล้วมีใจรักทันทีไหมเวลามองเห็นแม่แต่ละครั้งเห็นพ่อแต่ละครั้งเห็นปู่ตายายายเห็นญาติมิตรแต่ละครั้งเมตตาออกจากทางสายตาเลยไหมออกไม่ออกออกทุกวันเลยไหมแสดงในบ้านน่ะเมตตาวิ่งเพ่นพ่านเต็มไปหมดใช่ไหม หน้าไปนะบ้านหลังเนี้ยจะไ้แล้วโอบ้านนี้ไม่มีโทสะมีแต่เมตตาวิ่งรอบบ้านเลยเอาสายสินไปล้อมไว้ก็ได้แล้วก็ประกาศว่าเขตเมตตาให้วิ่งรอบอยู่เงี้ยทําได้ไหมเดี๋ยวให้ท่านไหนาเอาสยสินไปล้อมไว้ฮะอยู่ในเขต น, นี้แล้วผีคือโทสะไม่เข้าสิงแล้วมีแต่เมตตาทีนี้ นี่มอาทั้งสองกรุณายามที่แม่ปู่ตายย่ายายพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเรามีใจคิดจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์เขาใช่ไหมในใจอ่ะคิดปราถนาที่จะปลดเปลื้องความทุกข์แก้ปัญหาให้กับเขาให้ได้ในใจที่คิดอย่างนี้เขาเรียกเป็นกรุณามโนกรรมกรุณามโนกรรม แล้วก็ทำการข้นขวายเอาข้าวไปให้เอาน้าไปให้เอาเสื้อผ้าไปให้ไปปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่อันนั้นเป็นอะไรกรุณากายกรรมแล้วก็พูดด้วยความปรารถนาดีเนี่ยพูดให้กำลังใจแม่อย่าท้อนะแม่อยู่กับหนูนานนานพ่ออยู่กับหนูนา น, นานหนูรักพ่อหนูรักแม่ยิ่งพ่อแม่อยู่กับหนูนานได้เท่าไหร่หนูจะมีโอกาสในการปฏิบัติได้กุศลมากเท่านั้น ฉันขอให้พ่อทนแม่ทนอยู่กับนหนูนานๆ น, นะหนูจะได้มีโอกาสอุปถัมภ์ดูแลพ่อแม่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พูดให้กําลังใจอย่างเงี้ยรักต่างนี้เป็นไรกรุณาวจีกรรมก็เลยมีทั้งกรุณามนโนกรรมคิดทางใจกรุณากายกรรมก็คือทําด้วยกรุณาการุณาวจีกรรมก็คือพูดด้วยกรุณาด้วยความปรารถนาจะปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับพ่อแม่ผู้ตายญาติญาติมีเป็นต้น ทำหรือยังข้อนี้ทำหรือยังถ้าไม่เคยก็เอาไปทาไม่ได้ยากไหมการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงอย่างนี้ยากไมมยา ก, ไ ม, ยากไม่ยากนะเนี่ยเอาไปเป็นข้อสอบอแล้วใครจะเป็นคนตรวจข้อสอบตรวจเองก็ให้ถูกทุกข้อ <laughs> ส่งไม้พ้าตรวจหน่อยได้ไหมอ่าต่อไปก็คือเอ่อ มุทิตามโนกรรมเวลาเห็นพ่อแม่ปู่ตายายญาติมิตรทั้งหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เรารู้จักเขาได้ดีมีสุขคนตั้งอะไรตั้งมุทิตาพอยินดีด้วยยินดีด้วยชื่นใจทีนี้พอยินดีด้วยก็ขวนขวายช่วยสนับสนุนเอาผ้าให้เสื้อผ้าให้อาหารให้ยาให้อะไรให้ ว, วิทยาคมพอยินดีส่งเสริมสนับสนุนทางกายอันนี้เขาเรียกว่าอะไร มุทิตากายกรรมพูดให้กำลังใจโอ้ชื่นใจมากวันนี้แม่สุขภาพดีวันนี้แม่สวดมนต์ไหว้พระพ่อสวดมนต์ไหว้พระวันนี้แม่คุณภาพชีวิตดีขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นหมอบอกยังไงโอ้โหบอกทําตามเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยให้กําลังใจก็เป็นมุทิตาวจีกรรมใช่ไหมหนึ่งมุทิตามโนกรรมคิดพอ ย, ยินดีกับพ่อกับแม่ปูตา ย, ยาใหสอง มุทิตากายกรรมก็สนับสนุนส่งเสริมประพฤติปฏิบัติสก็คือมุทิตาวจีกรรมก็คือพูดพูดพอยิน ด, ดีส่งเสริมสนับสนุนให้กําลังใจครับไปยังแต่เนี้ยเมตตากรุณามุทิตาทั้งด้านกายมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมครบแล้วนะนี่ก็เรียกว่าได้ทั้งทานได้ทั้งปีาวาจาประการต่อมาคืออัฏฐจริยา คือการประพฤติประโยชน์ประพฤติประโยชน์ได้เมตตาประพฤติประโยชน์ได้กรุณาประพฤติประโยชน์ได้มุทิตาอันนี้ก็คือการขนขวายช่วยเหลือในการทําประโยชน์ให้เลยเอาซักไปทําประโยชน์ทั้งตนเองประโยชน์แก่บุคคลอื่นเนี่ยทำได้เมตตากรุณามุทิตาขนขวายช่วยเหลือสนับสนุนอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตจริงๆเป็นภาคปฏิบัติการส่วนข้อสุดท้ายในยากที่สุดเขาเรียกว่าสมานตะตา คำว่าสมานะตาเนี่ยเขาเรียกว่าวางตนเสมอต้นเสมอปลายมันคําว่าสมานะสุขขาทุกขตาสมานะสุขาทุกขาตาๆๆคือเสมอในสุขเสมอในทุกขไอ้คําว่าเสมอในสุขเสมอในทุกเนี่ยไปไปมาเขาเรียกว่าเสมอภาคเนี่ยถ้าทางโลกคนละอย่างเนะถ้าทางโลกเนี่ยเขาพูดถึงอย่างนี้เช่นฉันได้สิบบาท อีกคนหนึ่งก็ต้องได้สิบบาทเท่าๆกันใช่ไหมเขาเขาพูดกันอย่างนั้นนะไอ้คำว่าเสมอภาคทางโลกเนี่ยเขาเอาตัววัตถุเป็นตัวตั้งแต่ในทางธรรมะเนี่ยคำว่าเสมอไอ้คำว่าสมานะคําคำว่าเสมอก็ ถ, ถึงเสมอในสุขเสมอในทุกก็หมายความว่าร่วมสุขร่วมทุกเขา้าใจยังร่วมสุขร่วมทุกมีสุขก็ร่วมเสพมีทุ ก, ก็ร่วมต้าน แล้วก็เสมอต้นเสมอปลายก็คือทำตัวสม่ำเสมอแล้วก็คือไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังใช่ไหมทำตนเองไม่ลำเอียงออวาระนี้ควรจะไปคุคนขวายช่วยเหลืออย่างไรก็สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องดีงามนี้เป็นต้นมอออกอย่างยากไหมข้อคาว่าสมาณาตาตาอาจจะปฏิบัติยากนิดนึงเพราะการทำตนให้เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นว่า ในสถานการณ์นี้ถ้าทำแบบนี้แล้วพ่อจะได้กุศลทำเลยเช่นคำว่าคนที่ไม่มีสมานาตตาเนะยกตัวอย่างเช่นว่าไม่สนใจคนอื่นคนอื่นเขาจะได้สุขได้ทุกข์ไม่สนคนอื่นเขาจะได้บุญได้บาปไม่สนเอาตอนเองเป็นตัวตั้งนี่เขาเรียกไม่มีสมานาตตาเป็นบ่อยไหมแบบนี้พ่อจะร้องพ่อจะทุกข์จะสุขไม่สนใจทำแบบนี้พ่อจะเสียใจไม่เสียใจไม่สนใจอย่างเงี้ยแบบเนี้ย สามีจะดีใจไม่ดีใจไม่เสียจะไม่สนใจแล้วตนเองมีปกติจะทำตับตนเองแบบเนี้มองเห็นยังมีอัตลักษณ์เฉพาะตนมีทิฏฐิมีความเห็นเฉพาะตนเลยไม่คนที่เขามีสมาณตาตาก็จะมองนี่ถ้าเราทำสีหน้าแบบนี้พ่อเดี๋ยวบาปจะเกิดกับพ่อไม่ทำเคยเคยเคยคิดความรู้สึก ข, ขนาดนี้ไหม ถ้าเราไปทําหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวพ่อจะท้อแม่จะท้อไม่ทําทําตัวเสมอให้กําลังใจพูดจาดีใช่ไหมพ่อชื่นใจแม่ชื่นใจมากพอเห็นหน้าลูกคนนี้ทีไรแล้วแม่มีกําลังใจยองเคยทําหน้าแบบเวลาเขาเห็นเราแล้วก็ท้อเคยทํำไหมเคยทำไห ม, ไหมแต่ก่อนเขาก็มีกําลังใจดีๆนี่แหละพอเราโผล่หน้าขึ้นไปแล้วเขาหมดกําลังใจเลยเคยเคยเคยไหมเคยทําแบบนี้ไหม บ่อยไหมคือทำกุศลในใจก็าหายเกลี้ยงเลยอะแถมรู้สึกก็ทั้งเซง็งทั้งเบื่อเลยทุกนแนเ่เคยไหมทาแบบนี้บ่อยไหมเคยไม่เคยงั้นก็เปลี่ยนใหม่ก็ไปถามเขาถ้าทำไม่ถูกไงนี่เธอฉันทาหน้าแบบไหนทาแล้วรู้สึกเธอสบายใจเขาจะบอกว่าอย่างไงทำไม่ให้เหมือนหน้าเธอ ทำได้ไหมเนี่ยผมบกในวันแรกที่เราเจอกันกับสามีกับแฟนวันแรกที่คบค้าแต่เขาคุยกันวันนั้นเขาเห็นเราปุ๊บเขาดีใจมากไหมดีใจไหมเขาดีใจมากเลยใช่ไหมแล้ววันนี้เขายังเป็นอย่างเดิมไหมเขายังเป็นเหมือนเดิมไหม รู้สึกเขามั่นใจไหมมึงแม่ฉันไม่เคยเลือกคนผิดเลย <c oughs> ฉันมีความสุขมากเลยเห็นหน้าเธอทีไรโหมีกําลังใจเหมือนวันแรกที่เห็นลและเราแหละแต่ความเชื่อมั่นต่อเขาอะมันเท่าเดิมกับที่วันแรกที่เขาม า, าหาเราเนี่ยคือยังเขายังยังเป็นที่เชื่อมั่นเราอยู่มั้ยรือความเชื่อมั่นเราลดลงเลยคนคนนี้ไม่สามารถนําพาชีวิตเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นยังไง ขาดความเชื่อมั่นึ่งกันแล้วกันดีไหมไม่ดีนะอา้าวมีใครจะถามอะไรไหมเนี่ยนี่เข้าใจหรื อ, อยังเรื่องเรื่องของสังขาวัตถุจากพรหมวิหารในใจแล้วก็ผักออกมาเป็นสังขาวัตถุเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตจริงอ่ะทีนี้ในการในการดําเนินชีวิตขึ้หลักกิ จ, จ ก, กรรมของชีวิตมันมีสองส่วนเหลือเวลาอีกไม่นานมันมีส่วนของการทํากิจ กระส่วนในการทํากิจใช่ไหมการทํากิจเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเรามีกิจกรรมต้องทําตลอดเวลาไหมมีไม่มีเ อ, อใครที่กเกษียณอายุแล้วยกมือทีโอเยอะเลยน ะ, กะเกษียณและนะ้วเนี่มีกเกษียณหมดแล้วใช่ไหมใครยังไม่กเกษียณยังไม่กเกษียณยังไม่สิ้นจากงานทีนี้ แปลว่าตอนนี้เราไม่ต้องทางานเราไม่มีอาชีพแล้วใช่ไหมเอาใครที่ไม่มีอาชีพยกมือที่ตอนนี้ไม่มีอาชีพแล้วเพราะเกษียณแล้วไม่มีอาชีพแล้วใช่ไหมแล้วใครยังมีอาชีพอยู่มีอาชีพทีนี้เราไปเข้าใจกันยังไงบอกว่าอาชีพอาชีพเนี่ยเราไปคิดว่าถ้าเราเป็นข้าราชการเกษียณอายุแล้วแปลว่าตอนนี้เราไม่มีอาชีพแล้ว ที่จริงคําว่ากิจกรรมของชีวิตเนี่ยคือเรียกทํากิจเนี่ยมันเป็นอาชีพเลยนะก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกยังทําอยู่ไหมในการเยืในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งยังทําอยู่ไหมเนี่ยนี่ก็เรียกกิจกรรมของชีวิตถราบแล้วยังมีอยู่ ยังทํากิจกันตลอดเลยใช่ไหมไม่เคยหยุดเลยแต่เราเนี่ยไปถูกการบัญญตัติกันบอกว่าตอนนี้ทํางานตอนนี้ไม่ทํางานแต่ที่จริงกิจกรรมของชีวิตทั้งนั้นแหละเราไม่เคยหยุดยกเว้นตายตายแล้วก็กิจกรรมก็จบในอัตภาพนั้นแล้วก็ไปทําอัตภาพถัดไปก็ว่าไปสรุปแล้วการทํากิจเนี่ยไม่เคยหยุดเพราะการนั่งการยืนการนอนการหลับตื่นพูดนิ่งทั้งหลายเป็นกิจกรรมหมดเลยแม้แต่ถ่ายริปัสสาวะ การยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งการกินดื่มเคี้ยวลิ้มมันมีอยู่ไอกิ จ, จกรรมตรงนี้นี่ก็เร ก, ก, ก, การทากิจทีนี้การทำกิจเนี่ยบางครั้งก็ทำที่สำเร็จบางไม่สำเร็จบ้างเคยสังเกตไหมเนี่ยทำสำเร็จบางไม่สำเร็จบ้างทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ทำได้รัด ก, กลุ่มหรือไม่รัด ก, กลุ่มก็ว่าไปแต่ํากิจเนี่ย ประการต่อมาคือการทำจิตมันมีสองส่วนนะการทำกิตกับการทำจิตบางคนเนี่ยทากิตได้ดีแต่จิตแย่มากมีทั้งท้อถอยหดหูเสื่องซึมเหงาหงอยฟุ้งซ่านนะไม่เชื่อมั่นไม่รู้เรื่องนะจิตใจท้อถอยวิตกกังวลตลอดเวลาแต่ทากิตข้างนอกด้วยด้ยจิตที่เป็นทุกข์ด้จิตที่ วิตกกังวลตลอดใครเป็นโรคแบบนี้เยอะไหมเป็นอาการแบบนี้มากไหมบางคนเนี่ยทำกิจก็ได้ดีทำจิตก็ได้ดีด้วยรรจิตมีทั้งความเชื่อมั่นมีทั้งความก ล, วกล้าอ า, า์มีทั้งสติการระลึกได้มีทั้งความตั้งมั่นและมีทั้งปัญญารู้และเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมสุขสมณะก็เกิดขึ้นในขณะทากิจด้วยแต่บางคนเนี่ยทากิตบกพร่องแต่ทาจิตได้ดี เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องกิตเท่าไหร่แต่ด้านจิตใจดีมากเลยมีสุขสมนัสเกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมีความปราโมดปิติแต่กิจข้างนอกไม่ค่อยทำไม่ค่อยเรียบรอ้อยเราเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าทั้งกิจและจิตเนี่ยเราทำได้ดีทั้งคู่ฮะได้ดีทั้งคู่ไหมใครทากิจบกพ่องมากแต่ละวันแต่ละวันโดยส่วนมากจะบกพ้องที่จิตยกมือที่ โอ้ไม่บอกพ่องกันเลยเลย <c oughs> ทำไมเป็นขนาดนี้นฮะ <c oughs> อ๋องั้นทำกิจไดไ้ไม่ดีอา้าวใครทำจิตได้ไม่ดีเลยเนียบอกพ่องทุกวันเลยทั้งหดทั้งไม่เชื่อมัน่นทั้งท้อถอยทั้งหดหูทั้งทุกข์ทั้งกลุ่มทั้งหลงลืมทั้งเลอะเลือนอะไรเงี้ย <c oughs> ฮะเป็นยังไง นั้นทคนที่เขาจะสมบูรณ์จริงๆเขาแปลว่าอะไรการทำกิจและการทำจิจถือควบคู่กันไปด้วยความไม่ประมาทเท่าในหลักที่บอกขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการ<笑><笑>ใช่ั้ยก็คือในการทำกิจก็ไม่บกพร่องและในขณะเดียวกันก็ทำจิจนะทำจิตไปด้วยถ้าใครทำได้ทั้งสองลักษณะนี้เ็าเรียกเป็นคนที่บริบูรณ์นะ โดยมากระหว่างจิตกับจิตนี่อะไรบกพร่องมากกว่ากันจิตใช่ไหมโอ้นี่เราเป็นอาการทางจิตเขาเรีกป่วย <c oughs> อาการป่วยโรงพยาบาลรักษากายเนี่ยมีเต็มไปหมดนะแต่ไม่มีโรงพยาบาลรักษาอาการทางจิต <c oughs> ใช่ไหมฝ่ายจิตเวชก็ไปไม่ถึงพอเอาไม่อยู่ก็ให้แต่ยานอนหลับกิน โอ้ oh, ลำบากเกินงั้นตรงนี้ก็คือการทําจิตการทําจิตของเราเนี่ยสภาพจิตของมนุษย์ใช่ไหมที่จะให้ได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพได้ทั้งความสุขซึ่งยากนะสามสามลักษณะเนี่ยคุณภาพสมรรถภาพความสุขคุณภาพคือได้ทั้งความได้ทั้งพรหมวิหารและธรรมตอนนี้เราได้แล้วนะพรหมวิหารเราได้หลัก ทำสอนไปแล้วแต่เราจะไปใช้เป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่เราแล้วคิดยังไงให้เมตตาเกิดคิดยังไงให้กรุณาเกิดคิดยังไงให้มุทิตาเกิดคิดยังไงให้อเวขาเกิดอ่ถามหน่อยคิดยังไงให้เมตตาเกิดคิดยังไงให้โทสาเกิดมเห็นไว้ลืมแล้วหะถ้าเราคิดเห็นจุดด้อยคนได้ง่าย อะไรเกิดโทสะถ้าคิดจุดเด่นคนได้ง่ายอะไรเกิ ด, ดเห็นไมเห็นจุดเด่นคนได้ง่ายเราคิดยังไงให้กรุณาเกิดคิดอย่างไรให้คิดการเบียดเบียน เ, เกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าเห็นภาวะว่าท่านพุทเนี้ยไร้ที่พึ่งใช่ไหมเห็นเขาเป็นเหมือนคนอนาถาไม่มีที่พึ่ง เขากำลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราสามารถจะช่วยเขาได้โดยมากช่วยทางใจก่อนเห็นั้มทางใจที่ไปคิดเพื่อจะเกื้อกูลช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นการคิดในลักษณะนี้กรุณาจะเกิดงา่ายเห็นความทุกข์ของคนได้งา่ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดว่าทํายังไงจะท่านผู้นี้ยคิดเบียดเบียนเขาคิดให้เขาประสบความทุกข์ประสบความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยการนี้เขาเรียกเป็นวิหินสา ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นสังกัปปะถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะคิดถูกทางถูกวิธีนี่นะถ้าคิดจะเกื้อกูลช่วยเหลือเขาอันนี้เป็นกรุณาถ้าคิดเบียดเบียนเขาเป็นการวิหิงสาเกิดก็ขาดกรุณาเอาคิดยังไงมุทิตาเกิดคิดยังไงให้มุทิตาเกิดคิดยังไงฮะ ไม่ได้เลยแ <laughs> ล้วเขาคิดกันยังไงมุทิตาถึงเกิดฮะอะไรน ะ, ะ, ะนคิดยังไงนะอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าโอ้ลูกเราเนี่ย ทำไมลูกเราสอบไ LIKE ล ko ่ได ok ้ประสบความสําเร็จพอลูกเราสอบไล่ได้ประสบความสําเร็จโอ้เราต้องยินดีกับลูกที่เรามาพอยินดีกับลูกเพราะเรามีส่วนในการที่จะได้ดิบได้ดีด้วยการคิดอย่างนี้เป็นมุที่ตามไหมเป็นไม่เป็นเป็นไหมอ๋อเนี่ยที่ลูกเราสอบได้ก็ดีลูกเราประสบความสําเร็จก็ดีลูกเราสอบเป็นนายอำเภอได้เป็นทหารได้เป็นตํารวจได้แล้วก็ไปพอยินดีกับลูก เหตุผลที่พอยินดีเพราะเพราะเราจะได้เป็นแม่ของนายอำเภอบ้างเป็นแม่ของประหลัดบ้างเป็นแม่ของทหารตำรวจ ด, ด้วยอย่างนี้เป็นเป็นมุทิตาไหมอันนี้เขาเป็นอะไรอันนี้เป็นมุทิตาเทียมเข้าใจย่างเป็นมุทิตาเทีย ม, ม, ยมแล้วคิดยังไงมุทิตาถึงจะเกิดคิดยังไง เป็นคนชื่นใจในความสําเร็จของบุคคลอื่นได้ง่ายเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วมันตื่นเต้นเนื้อเต้นตึกตึ๊กตึอย่างเ้ยเป็นไหมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาประสบความสําเร็จล้ยพอยตื่นเต้นไปกับเขาเป็นบ่อยไหมโลกแบบเนี้ยเนือมันตื่นเต้นเฉพาะคนที่เรารู้จักเวลาเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วเนื้อเต้นเลยไหมปุ๊ปุ๊ปปุ๊ดีใจอ่ะมันดีใจออกมาขนาดนั้นเป็นไหมโหโโหยากเลย ลำบากทําไมมันขึ้นยาเกินคุณธรรมเนี่ยลึกอ ย, อยู่ลึกอย่างเนี้มนขนาดนั้นเลยเลยก็คนเขาประสบความสําเร็จต่อหน้าต่อตาเป็นนั่งเฉยได้ยังไงฮกระตุ้นแรงๆให้มันขึ้นมาหน่อยได้ไหมถ้ามันกระตุ้นไม่ได้เอาเครื่องปั๊มหวัวใจปั๊มทำไมไม่ขึ้นปัป๊มปั๊มเอ้เนื้อเต้นออกมาเฮ้ยทาไมคนเขาไ ด, ดได้ดีได้ดีได้ดีต่อหน้าต่อตาไม่ไมขึ้นเลยแปลกไหม เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกันยังไงนี่ใช่ไหมปฏิบัติธรรมมันจะต้องเข้าใจมุมนี้ให้ดีสิวันเนี้ยเราสามารถจะเก็บเกี่ยวบุญได้ทุกเวลาเลยนะถ้าเราฉลาดในการคิดใช่ไหมมองไปที่ไหนเก็บบุญได้หมดเลยนะอันนี้มองไปที่ไหนได้จะบาปหมดเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหมีแต่เรื่องแบบเพศนี้ยมีแต่เรื่องต่อว่าต่อขานกัน้เรื่องดีๆไม่ค่อยมีใช่ไหมแปลกมากเลยไปที่ไหนมีไหมมีการคุยกันเรื่องดีๆไหม ไปในวัดยังไปแอบดินทากันพรักเซ็งเบื่อโยมเลยบางทีไปนั่งกันจับกลุ่หมือนนึกว่ากำลังสนทนาธรรมะกันคนนั้นใช้ไม่ได้วันนี้เลยลาบากเลยตัเนี้ยทำไมเป็นอย่างนั้นกันไปด้วยทังครมไทยแทนที่จะได้ธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะกันได้ถูกไม่ค่อยถูกเลยใช่ไหมตัวเนี้ยสรุปแล้วคิดยังไงมุติตาจึงเกิด เห็นความสําเร็จของสัตว์อื่นได้ง่ายเห็นความเจริญเห็นความสําเร็จคือมองมนุษย์เรามันมองได้ทั้งหลายมุมนะเราจะมองมุมให้เกิดเมตตาก็ได้มองมุมไม่เกิดกรุณาก็ได้มองมุมไม่เกิดมุทิตาก็ได้หรือมองมุมให้เกิดอุเบกขาก็ได้เอาคิดยังไงอุเบกขาทั้งเกิดมองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนใช่ไหม ทำว่าเป็นเจ้าของกรรมของตนเนี่ยแปลว่าเขาทํากรรมกรรมเป็นคํากลางๆนะแปลว่าการกระทําเขาก็ทําดีเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของสิ่งที่ดีถ้ากระทาไม่ดีก็ต้องรับใช่ไหมนั้นสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยแน่นอนนะสัตว์ที่ทําสุจริตกรรมสุจริตกรรมก็ตามส่งเสริมสนับสนุนทุกอัตภาพที่เกิดถ้าเขาทาทุจริตกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตทาบาปกุศลกรรมมันชั่วร้าย ทุจริตตัวนี้ก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตของเขาทุกอัตภาพที่เกิดใช่ไหมถ้าเข้าใจหลักการตรงนี้เสียเขาเรียกมองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่ามีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองใช่ไหมเงินทองรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองญาติมิตรทั้งหลายนี่เขาเรียกสมบัติชั่วคราวแต่สุจริตกรรมทุจริตกรรมเนี่ยเป็นสมบัติที่แน่นอนของหมู่สัตว์นั้นถ้าสัตว์ทั้งหลายทําสุจริตเช่นกายสุจริตวิญญสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนปริยจ้าวนะทำความดีงามทั้งหลาย สุจริตกรรมเหล่านี้ก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดเลยใช่ไหมแต่ถ้าสัตว์นั้นทําทุจริตละ่ะทุจริตก็ตามเบียดเบียนทุกอัตภาพทุกกระแสชีวิตที่เกิดถ้าเรามองอย่างนี้เบีดเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าอุเบกขาจะเกิดกลางการวางใจเป็นกลางที่จะวางใจเป็นกลางได้เนี่ยต้องมีอะไรมีปัญญาด้วยนะมีปัญญาไปมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองจริ ง, รงๆไม่ไปเห็นความจริงของชีวิตว่าคุณทํา กรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นตามผลแห่งการกระทำของสัตว์นั้นๆก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างนี่เขาเรียกถ้ามองแบบนี้อุเบกขาจะเกิดเห็นไหมเอาแรกเริ่มมองว่าการคิดนั่นเองการคิดให้เมตตาเกิดก็ต้องคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดให้กรุณาเกิดคิดให้มุติตาเกิดคิดให้อุเบกขาเกิดกลับไปปุ๊บขึ้นไปในบ้านปุ๊บเราจะคิดให้อะไรเกิดเวลามองคนที่อยู่ในบ้าน เกิดไปเขามีปัญหาในบ้านจะคิดยังไงคิดการุณาใช่ไหมการุณาของเราเป็นไปกับความโศกเศร้าด้ว ย, ยไหมถ้าสามีป่วยหนักทุกใจเล ย, ยเไหมถ้าเกิดอย่างเนี้ยกำลังนั่งฟังธรรมมีโทรศัพท์กรี๊งมาสมมุตินะบอกคนที่บ้านประสบอุบัติเหตุ แล้วก็อ่ะเราเราจะวางใจยังไงเราจะรีบลุกพวดไปเลยไหมไปหรือไม่ไปหรือจะนั่งฟังทาต่อเอาเอาใครจะฟังทาต่อยกมือที่บอกอุบัติเหตุหนักอ่ะใครจะฟังทาต่ อ, ม อ, อ, อ, ต อ, ตอไม่มีทุกคนเลยลุกไปหมดเดี๋วจะเล่าให้ฟังนางมาริกานางมาริกานี่เป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีใช่ไห พันธุรัเสนาบดีเป็นมหาหมาัดของพระเจ้าประเป็นที่โกศลมีลูกมีลูกทั้งสามสิบกว่าคนคุมกองกําลังไปนี่พระเจ้พาพระเจ้าเป็นดินเนี่ยวางแผนฆ่าฆ่าพันธุรัเสนาบดีพร้อมได้ลูกชายทั้งหมดเขตผลเพราะละแวงมีคนมายุโยงว่าจะเป็นเอเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์เพราะเขาคุมกองกําลังหมดก็เลยวางแผนว่ามีโจร มีผู้ ก, อก่อการร้ายที่ชนกบทก็เอากองกําลังทหารไปล้อมไว้หมดแล้วก็ให้พันธุล่าเสนาบดีพร้อมด้วยลูกชายคุมกองกําลังไปเล็กน้อยไปเพื่อไปปราบโจรสกบฏพอไปถึงในวงล้อมก็ทหารที่คอยซุ้มอยู่ก็ฆ่าตายหมดเลยที่จริงที่จริงมันมีเรื่องรายละเอียดมากกว่านั้นก็คือว่า ในงานนั้นรัฐพันธุลเสนาบดีเนี่ยจะสู้เนี่ยก็สู้ได้แต่พอ ร, รู้ว่าเอ๊ะพระเจ้าแผ่นดินเราแวงเราต้องการฆ่าเราก็เลยยอมสละชีวิตเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเดือดร้อนนี่เขาคิดอย่างนั้ น, เ, นเขาคิดเพื่อบ้านเมืองประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเนก็จะพากันเดือดร้อนถ้าเราตายกันแค่เรากับลูกเนี่ยแล้วประชาชนสงบก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเราจะคิดกบฏขึ้นมาวางตัวเองขึ้นมาเนี่ย มันก็จะต้องสู้รบกับประเชศเบญนินซึ่งเป็นเพื่อนกันแล้วประชาชนทหารที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกมากจะพากันตายแล้วบ้านเมืองก็เกิดจลาจนเกิดภัยพิบัติใช่ไหมนี่วิธีคิดคนที่เห็นแค่ประโยชน์แค่ส่วนใหญ่ของประเทศเขาก็ยอมตายได้เงี้ยนะเนี่ยยอมตายทีนี้พอสามีและลูกตายตอนนั้นนางมาริกาก็ไปถวายอาหารเทพประสงค์และพระเจ้าไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ก็มีคนทําจดหมายเนี่ย ส่งจดหมายมาตอนที่เธอกำลังถวายอาหารนี่แหละคนใช้ก็เอาเอาจดหมายไปดูเธอก็เปิดอ่านจดหมายบอกว่าสามีและลูกเนี่ยตายในสนามรบหมดแล้วถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราอ่านข้อความแค่นั้นแล้วเราจะเป็นยังไงฮะอันนี้ดูนะดูคนที่เขาปฏิบัติธรรมะนะเขาทำยังไงนะเราจะได้อไปปฏิบัติให้ถูกพออ่านไบเสร็จพวกเธอก็พิจารณาถึง เอาเอาพระวิหารข้อไหนใช้เออเนี่ยมองเห็นแล้วว่าภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของของกรรมของตนสัตว์ทั้งหลายจะได้สุขพ้นทุกข์ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ที่ถึงตามใจชอบได้อย่างไรตนเองจะไปเข้าถึงความสุขความทุกข์ตามใจชอบได้อย่างไรทุกคนก็มีกรรมเป็นของของตนเองอยู่แล้วพอวางใจเป็นกลางมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตอย่างนั้นแล้วก็เก็บแล้วก็วางใจให้เป็นกุศลในขณะนั้น แล้วก็น้อมถวายอาหารเดชสมมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนใช้เนี่ยทําทําไม้เครื่องเครื่องไอ้ถ้วยชามหลไรหล่นแตกภาษาลิบุตรรู้ภาษาลิบุตรก็ถามว่าดูก่อนอุบาสิกาไอ้ภาชนะเนี่ยมันแตกไปเป็นธรรมดาเนี่ยมันได้เหตุปัจจัยแตกมันก็แตกเธออย่าได้กังวลใจต่อภาชนะที่แตกนี่เลย เธอก็เอาหนังสือมาอ่านถวายบอกท่าเดบะเทละสามีและลูกตายในสนามรบใจของดิฉันยังยังไม่หวั่นไหวเลยยังพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายีกรรมเป็นของของตนฉะนไหนเลยจะหวั่นไหวแค่ถ้วยใบนี้แต่นี่นี่ชัดเจนไหมเธอถวายอาหารเสร็จวางใจแล้วต่อมาเมื่อฟังทำอะไรเสร็จก็กลับบ้าน กลับบ้านก็เรียกลูกสะพ้ายมาทั้งหมดประชุมประชุมว่าไงให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองอย่างไรอย่าเครียดแค้นชิงชังต่อพราชาอย่าเครียดแค้นชิงชังกับคนที่ไปเบียดเบียนใช่ไหเวยนย่อมระ ง, งับด้วยอะไรด้วยการไม่จองเวนไม่ใช่เวยนย่อมระ ง, งับด้วยการจองเวีนนะด้วยการไม่จองเวนใช่ไหม เนี่ยพอสอนเบดเสร็จแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระราชาให้ให้สไปายให้สายลับเนี่ยมามามาม า, ม า, มาตามติดตามความเคลื่อนไหวพอได้ยินเขาพูดนี้ตกใจก็เรียกนางฟ้อมได้นางสนมเอ้ยลูกสะพ้ายเขาเฝ้าก็ขอโทษที่ทำอะไรผิดพลาดเลยเธอก็บอกว่าไม่ไม่งียถามพระราชาถามว่าเธอต้องการอะไร เธอก็บอกต้องการกลับบ้านเกิดเธอเป็นชาวกุศินาราไปอยู่อย่างสามัญชนเพื่อไปเจริญกุศลในบรปลายบรรสุดท้ายในบ้นตายชีวิตนี้ชัดเจนไหมเนี่ยกรณีอย่างนี้เป็นอุบาสิกาในพระศาสนาซึ่งเขาปฏิบัติธรรมะเขาทำกันอย่างนี้ อย่างเราเมื่อกี้ว่าโอ้โหรีบไปกันเลยไม่มีใครอยู่ฟังธทมเลยแล้วไม่แล้วปัญญาสาคัญสุดไหมสาคัญสุดคนตายก็ตายไปแล้วจะไปวิ่งเต้นอะไรตายไปแล้วแล้วเราไปแล้วมันฟื้นกลับมาไหมใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุก็เช็กดูตอนนี้อยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเนี่วยวไปปุ๊บเราไปช่วยอะไรได้ไหม ก็ไม่ได้อีกอย่างเช่นอยู่ห้องไอซีอย่างเงี้ยบางคนลองรีบไปไปเกะกะอยู่นั่นแหละเราเป็นพยาบาลก็รู้ใช่ไหมละ่ะเ ก, กะกะไ้มล่ะไปก็เกะกะอยู่นั่นแหละโอ้โหขวางนูน้นขวางนี้พูดน้นพูดนี้เจนพยาบาลบางคนเอากลับไปรักษาที่บ้านไป <c oughs> ไม่เป็นทุกเรื่องเลยอะนี่เป็นต้นก็อมองหรียั ไม่ค่อยดูอยู่นั่นแหละเนี่ยลักษณะแบบนี้เราไม่ค่อยเป็นอยู่ได้ปัญญาใช่ไหมเริ <c oughs> ่มเห็นนี่ยังการวางใจในการปฏิบัติธรรมก็ทํากันแบบนี้เนา ะ, ะมีใครจะถามอะไรไหมนี่ไม่มีนี่แปกพวกเราไม่ค่อยถามปัญหาธรรมากกันเลยนะแล้วฉันถามได้ไหมได้ไห เอ๊ที่ฟังฟังมาเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันมีอย่างนี้นะว่าที่ถามแล้วเนี่ยว่าใครมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยผมไม่มีแสดงว่ายอมฟังแล้วเข้าใจกันทั้งหมดมกับสองไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะถามอะไรเลยไม่รู้ยอมอยู่ประเด็นไหนไม่รู้เนี่ยนะมันเข้าใจทั้งหมดเลยใช่ไหมอุเบกขาทำไมดู <c oughs> เรื่องอะไรนะฮะอ๋อปิยวาจาอัธจริยาแล้วก็สมามนัตตาตายไม่มีใครถามอะไรแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวสวดมนต์กันหน่อยดีไหมเขาเลิกกี่โมงตอนนี้เลือกได้ยัง อาจจะสวดมนต์กันสักเล็กน้อย